ว่าใจมันหลายวันนี้เป็นลนำดับสามเขาเรียกว่าพาพัน <c oughs> ก็จะขอแมน่นำคนถามเบื้องต้นก็คือมิวิพูดเรื่อโสดาบันที่สุงกะบางท่านลาจจมากไปหน่อยเพราะเรื่องโสดาบันมันสายยากอาจจะขอหนแต่ความจริงแล้วเขาขอทุกคนดังใจที่เรื่องโสดาบัน เราจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามให้สาเร็งท่านไว้ทัานนี้พือ่อคำระ บ, บายภูมิ <c oughs> เราไม่เผาดาบันเนนพียงเท่านึงข้ารบพระเจ้าสองขารบพระพันสองขารบพระอริยสงฆไอ้สี่มนสินห้าบริสุทธิ์ห้ามีพุทธารมณ์ยนันนี้ไมเผาดงมาดาบันเสสองครั้งที่อน่างยเคือกอนหลับ นึกถึงพะพทเจ้านึกถึงันึกถึงพอริยสงฆ์นึถึงพรงเสือห้าเป็นองาท่นไม่เคยมอพระทานให้ตั้นใจว่าถ้าเราตายใครนี่ขอพระพันจัวเดียวพาตื่นใหม่ๆก็คิดจะหนีข้ามเลยทำวันนี้เท่านี้ให้เวลาเราอารณ์อารจะสงตัวเห้าะทราบว่าบางท่าน ผู่อชีพงอย่างต้องฆ่าสัตว์ย่งผู้ทาเสือมต้อฆ่าสัตว์ไม่สามารถด้วยสาเสือได้บรรลุได้จริงๆอย่ามดเนพเจ้าวาังอีว่าเรมีความเคารพในพระเจ้าวยความจริงใจตีพ่ออย่างยิ่งคนนีมีความเารพในพระเจ้ามีความจริงใจไปรไปสวรรค์ทุกคน ด้วยนคนที่ไม่เคยมีความเชืทอเจ้าเลยเพราะวเวลาจะตายเ้ื่อถึงพระพุทธเจา้าพวกคนคนนี้ความชั่วเขามีมากแต่ความดีไม่ปรากฏ <c oughs> ท่านนี่คือสัพพดิพิตาเพ้กพระพุทธแต่สัพพดิพิตาทจ้าพระนุทธ้ม่สามทรเานบาป ท, ทุกอย่างขึ้นเชื่อความชั่วทุกอย่างทาทั้งหมด ไม่เคยเคารพระไม่เคยเคารไม่เคยให้ทานไมเสาสึงมีตามาดีบาเป็นปกติอาจจะไม่ทำนะเมื่อไก่ก็ทำการม่เคงสาานเมือกาก็ทำเมื่อสาวาเป็นปกติเป็นเวลาไมเาเป็นปกติใครให้สร้างความดีก็าฟังเทศน์คำฟังธรรมมันก็แก้งสงสงเกิดบ้างเขาทำบุญใจก็ทำเสนเห์บ้างยิงเล่ามาวาเปกติ แต่ว่าพอเวลาจะตายลาคิว่าเขาร่ำรดยพอมีฐ า, าะนะพฤกษามาดีเวลาก็้จะตายขึ้นมาจริงทุกเวทนาบรรลุก็มองดูบทพันยาน่าฆ่าท่าหญิงชายทััสยบัตก็มีความรู้สึกว่าพันยาก็ดีบทบาทก็ตามฆ่าท่าหญิงชายก็ตามทุกคนก็มีความสาาางสารในเรา จะว่าม่มีใครสามารถจะแบ่งพักราชนาของเราไปได้เลาที่ราบมดี่พึ่งเที่มันมีพี่เพื่อจเบตองซื้อไปสำนักโคโดมเขาจึงตั้งใจคิดถึงพระพุทธเจ้าให้ไม่เพื่อเรสายหายโลกด้วยความทีเ่เขาไม่รู้ถึงความเคารพเขาต้องการให้ทรในรูกสารโเกแสายอันนีเาา้เขาไม่ได้าเขานึ่ถึง ทัางที่มีความเคารพมาก่อนเขาก็ตายไปเวลานั้นเมื่อตายเปไปรอดก็ไเกิดเป็นเบญดาเป็นสวรรค์ข้น่งนเโลกมีมรรคทองคำในที่อยู่มนม้าฟาดมันปันเป็นบริวารเพระว่าในฐานะดีขาะคนนั้มาชีวิตเพื่อไปเป็นมนุษย์ก็มีความาไัสร้างความดีแก่อนจะตายนิดหนึ่งเมื่อถึงฤาจา เป็นความดีหมานั้ายที่เราปิิบัตกรรที่เปกนเทวดาในสรรเขาจะเมนมากปฏิบันนามานักเมื่อเทวดาเราก็ไม่สร้างคาลดีต่อเรียนมาเรียนมาในกรมคุณพือว่านในมนุษย์ในควาไม่ได้สึกเพื่อจหมัยไม่ไดเาใน่เทพื่สวรรค์ก็ดาวดินก็ดาวโลกเราะการกระจาดีที่บ เพื่อฟังเทศหน่อยหนึ่งเพื่อจะมาขับเวลาพร่พุทธเจ้ามาแล้วอาเทศเปมาดูพระจนอาจถ้าพยะบารมีพระคนไทต้องการไปฟังเทศพระเจ้าต่อเป็นบรมีก็ขอให้ทุกคนทุกท่านไปฟังเทศจะมาดูพระวระอาจพรบาดังพระคุณด้ฟังก็ไปฟังนี่จะว่าไปถึงหนก็จะปฏิบัติไปดู ถึงเพื่อทิบเศร้าเนาก็มีความรู้สึกว่าเธอตายอย่างนี้จะต้องปฏิบัติในเจ mm ็ดวันนี่ไมว่าประกาศว่าใครเป็นาของนิมานถ้าจะตายภายในเจ็ดวันนี้แล้วเวลานี้เขาเหลือเวลาที่เก่าอาเทศเัอที่มาดูระบัิว่อาธรรมไม่ได้ฟังเพื่อต่อุบรรมีเพื่อจะปฏิบัติจะดูโดยฟังทังนั้นก็โดยบังโดยตัว ทิ้งเครื่องคิดส่งน้องแดงว่าโทดาต้องจติติมื่อไหลใจรักแรตานทางญาโทดานเมื่องถ้ามีเมื่อไหลต้องดงวาต้องจติติเมื่อรู้เตต้องเจติติเพือตาย้าความเป็นโทดาถ้าศสยที่เมื่อเป็นคิดก็อยากจะทราบว่าถ้าเราตายจากความเป็นโทดานแล้วเรจะไปไหนก็ทราบว่าได้สายใจหามมานนิบาจนเป็นหลักใหญ่ ได้ขึ้ห้ารายการไม่เคยปฏิบัติให้ลกบถื่อนไม่เคยเลยจะต้องนั่ตตนเองรอไปจมหานรกทีบหงกับได้ผ่านมรกบริวารในสี่ขุนเร่วามตกนรกทุกขุนข้านรกขุนใหญ่ในโกขุนเล็กต่อมาก็เกิดเป็นเตกบ้างเด็เสกายบ้างเด็นตชันบ้างไอชาสุดท้ายก็เป็นสัตว์ชันห้าร้อยชาติี่เป็นร่างห้ารอชาติเป็นกาาร้อยชาติเนรัฐบาลห้ารยชาติ แม่พ้นใจนั้นก็มาเกิดเปนคนหัวห้าร้อชาติเพรทอดภาาธิบาลเึ็คนหูหลอดห้าร้อยชาติเพร ท, ทสสดสมเสงกับสมธคมเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเพราะว่าเข า, าทำได้ก็ทำได้ไม่เห็นเห็นได้ก็ทำได้ไม่เ็นเป็นคนบ้าห้าร0อยชาติโดยสารทำอไรแี่รู้สึกเตบอดแี่ก็นไม่ไห <c oughs> ก ว, ว, ว, มไมไหวก็ถามเจ้าการกระจายเขรัก <c oughs> <c oughs> ในเมื่อเราตายจากการบูชาเทลอยะเปทุกขอย่างนี้เขาเพิ่มเติมด้วยอาการปารีเขาบอกว่าแต่กาบขงไม่จะบาเหมือนกันท่านไม่สามารถจะเทอไคนที่เทอไวยดูองเดียวเคอพระอินที่เป็นนายพระอานก็พาไปหาพระอินใเมื่อพระอิคพรอินให้ฆ่าพระอินก็บอกว่าฉันก็เป็นนาเทอพระจางได้เขาบอว่าฉันก็เปรรดาแต่สามารถจะเทอไวย ก็มีองค์เดียวเท่านั้นท่านเทานี้เท่าไม่ได้ก็ไม่ได้กันทังคือพระพุทธเจ้าก็พาเข้ไปฟ้าพระพุทธเจ้าอุ้งกัดพระสงฆ์ราบพระเจ้าพระเจ้าสงฆ์ทราบเขาจะนาร่าถ้าเราเทอญธรรมจะเป็นพี่ถูกใจเทวดานี่ัหมก็สงส์ราบว่าไม่ถูกใจแต่คืนเทพไปไม่ทันจับเทวดานี่ก็ตกตีต้องร้งเลยกจีนหมาล้วก็เชื่อ่ิญญาณไห่ก็เท่ะไรจีงจะบอก ก็เห sure ็นว่าถ้าเพศอุ่งเนี่ยทำชัยะสูตรจนแบบของเขาเรื่องปีเรื่องเพื่อนุ่งเนี่ยเป็นชัยวสุเมื่อเพื่อนสุนี้จบสุนีจิตาที่หนึงก็เป็นโสดาบันเื่อการไม่ตังถมรกกันถบาใบพรมเลิกกันบาทต่างๆไม่สามารถจะทำได้พวยเหตุนเวลาญาตินพุทธวิัทถงหลายที่มาปฏิบัติกรรมฐานวันนี้เมื่วานีแนะนำเรื่องป็นโสดาบัน ต้องรักษาขึ้5ให้พุทนธมีความรับผิดชอบพระธรรมพระอริยสงฆ์ทำให้ผลิตภัณฑ์ในอารมณ์แต่ว่าบางท่านไม่สามารถจะทำได้ก็ถือพรทธรรมตจีเป็นสำคัญพรทธรรมวจีก็คือพราพุทโธพระธรรมุตเจ้าถ้าขอทุกคนไม่อยากจะหมายถิดว่าถ้าเราจะตาย เราจึงยังไม่ถึงพระพุทธเจ้ามัชฌิมปฏิทปทาเบุตรอันนี้ไม่ได้แน่ต้องฝึกซาไมทรงตัวเพื่อที่จะ เ, เรื่มเป็นสมาธิธรรมชินไว้เป็นจิตเป็นฌานก่อนจะรับยาหน้หาภาวนาไปสองสามครั้งให้ใจเข้ามาก่าพระพุทธเจ้าออกทรโทเพื่อกินใหม่ใหม่ให้ใจเข้ามาวพระพุทธเจ้าออกโทั้สองสาครั้งตามความชอบใจ ไม่สามารถทำได้านานขาก็ทำให้ทำได้ตามเวลาที่ต้องการถ้าผุณท่านชินแบบนีเวลาจะตายจริงๆของท่งจจับพระพุทธเจ้าป็ารม์อย่างนี้ทุกคนจะม่ลงนรกด <c oughs> าบ ท, ที่ทาได้จะตาม่ทันจะไปสวรรค์ก่อนแล้วในวันไหนถามาถว่าทําตายเวลานี้ก็จะรพราะที่อ่านผไม่มนะัพระอย่างก็จะก ให้ฐานะธรรมที่มีพุทธาพุทธิธรรมฐานมโนอารมณ์มีพุทโธอจั่นใจเมื่อความเพียรเขาอ่านจบเดียอย่างน้อยก็เป็นหนึโสดาบันอยางสุติจิตาเจ้บุรเมื่อเขาบรราญยาโยมุิัท์ทุกคนเป็นยาหนใจพุทธว่าเอาน์โสดาบันหนักเลเราพราะฉนัพูดหนักไปหน่อยเรานีแค่เบารแต่ว่าถ้าเราสาวโสดาบันได้ก็ยังดี ถ้าเขาดูแลก็ได้เขาจะหวาดคิดว่าเราเป็นพระโสดาบันจะประมาทจงคิดว่าเรายังไม่ดูเด้เสนอให้ใครคนได้ศีลไม่ศีลมีกี่ข้อศีลมีห้าข้ออะไรบ้างเราได้ขอศีลเพื่อนไหมถ้ามีความท่องเที่ในท่างประเทพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสมัยกาพท่องเที่ยวคิดว่าจะเกิดที่นั่นอยาจะเกิดทู้่น่ไม่ไม่ผังการพธิบัตเลยไหม ข้ายังไม่อยู่ยังไม่ถือว่าเป็นอาดาบัน้าโสดาบันจริงต้องมีคอามรุจิตจริงพรทธรรจึงได้เรสจริ ง, ถ, ร ง, ง, รงถ้ามีศีมหา้าก็พ้นจึงมีจิตใจจับพระธรรมได้แรงจริงนี่เป็นหลัวปั า, ว า, วายกย่อยของศาสนาใหม่อี่กราศีได้ยากเล้าอวาสเพราะเป็นว่ากนนารเนมาธิมีหลายขั้นตอน ตอนทะเลาะ ก, กันแบบนี้เราคดีกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยเมื <c oughs> ่อไกว่าทำดีแลใ้ใไม ใ, ใจคับเอจเออกเป็นสมาธิพดาวเาโทรเป็นสมาธิแต่ ว, ว่าทได้แค่เล็กน้อยไปเรียๆจจเคลนไปอะไรื่นเามาแทรกอ่างนี้ทะาคดกาสมาธิก็ต้องถือว่าดีความดียังไงอยู่ ต่อไปสังญาที่ปีคนละวางก็คือปีติขั้นสูงยิ่งไปปติมมีมาการหอย่าง <c oughs> ในเมืจิตจมันมาไหลเข้ววาสังปกติอาจจะพบอาการน่าใหอย่างบ้างบางคนเขาพบอย่างสองอย่างบ้างบางคนไม่พบเลยบ้างมีรตะว่าถ้าเราเพลิพบกันไดว่าอาการนี้จะเกิดขึ้นใจนั่นคือหนึ่งข้นพังสยองเก้าเวลาภาวนาไปไปสบายจิตมีความสุข จะมีนลุกสูดสาคนพังเสียงก่าวค่อยๆควพีอย่างนี้เป็นทางที่ดีจิตอย่ากลัวก็อกีสองน้ำตาไหลเมื่อชอบใจขึ้นมากระตานน้ำตามันจะไหลเวลาทาสมาธิจิตใาที่กระตาไหลอันนี้เป็นยางใตกใจนี่เป็นอาการาทไไี่ดีที่เราดูแลได้เองนอกจากนี้สาร่างกายเยก่โครง นั่งไปก็โยกเปนั่งนาบั้งหลังบังข้างข้างซ้าบั้งขวาบัตงว่าก็จิตใจมีความสุขตารนี้ก็เลยคันว่าปีตที่แสนอ้การที่ปีตุที่สงคือตัวรงอากาศบ้างเติมคอยกระบกพระบั้งก็ปล่อยมันมันปีิไม่ให้ก็ปล่อยมันตามใจชอบหาการที่หามีการซาบามีความรู้สึกเหมืนกับลมออกจากตัวในส็นมีความรู้สึกมากใหญ่มาก เออสูงขึ้นถ้ากรณีขันสุดท้ายจะมีความสวย่างกายหน่มยในชะนาอย่างเดียว้าจิตใจมีความสุขอย่งบบางนี้หลาั้งทูปีที่ห้าเรื่องควอาการบิดเบีทั้งห้าอย่างถ้าเกิดบุคคลไม่ได้เพราะถ้าไม่นั้นทำใจเฉยๆไไปคนจะเลกคนงก็ช่างน้ำตาจะไหลก็ช่างร่างกายยุ่ยโ้งก็ช่างตัวจะลอะตัวกายก็ช่งางอาการทราบร้างเ่องกระช่างมันกรักษากรรังใจอย่างเดียวก็พอ ถาบุคคลผู้ใดมีกำลังใจเพื่อขันปีติถ้าสามารถส่งปีติได้สะตายในระหว่างปีติถ้าบอกว่าเลือกสวรรค์ไม่ได้อยู่ได้ทุกชั้นจะอยู่ท่านไหนก็ได้อารมณ์ใดแยกโยมวัดไว้จะทางไหนเสียงไปไม่ไหวเขาจะถิดเพียงแค่นี้นะตอนนี้ไปทุกคนตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานอแล้วเกิด ต่อที่ไปอธิบายเรื่องกัรเตาแรงกวอบเพชรเพราะคำว่ า, ากรอบเพชรจะยมอมบริษัทเป็นของที่มีความสาคัญมากนอกจากจะป้องกันคุณที่คุณคนแล้วจะว่าทุกคนปฏิบัติได้อย่างแจ่มชัดจะป้องกันได้ทุกอย่างอันตรายจะไม่ก่าทันได้จต่ทุกคนจะไม่มีอันตราย ทั้งนี้ก็รอะไรเพราะว่าทัวอย่างเช่นเราชอบกิเข้าทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามันก็ชอบเบาๆสิ่งที่ปรากฏชัดมาแล้วก็มีสองอย่างคนที่มานั่งที่นี่หลายคนประสบมาแล้วนั่นก็คือว่าน้ํามันชาตรีกับมิตรหมอมิตหมอก็ไปมิหมอชาตรี คำว่าชาตรีนี่มีกำลังเหมือคงกรัพันในสมัยโบราณเรียกว่าคงกรัพันชาตรีคำว่าชาตรีในหนึ่งเรียกว่าหลุกเบาแค่กระทบกระทังอะไรเข้าดัหนักจะมีความรู้สึกเหมือนของเบาเบาอยากระมี่หลายคนอย่างที่ดศกัญฐาเลี้ยวเมื่อกี้นี้เธอถูกรถชนกระเด็นไปประมาณสามวา ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นหนังสือมาแจ้งให้ทราบว่าธอนั่งรถขีมาา่มันรถน้องรถมาเตอร์ไซค์ไปมีรถมาชนเธอรถขาดสองท่อนล้อด้านหนา้าวิ่งไปทางล้อด้านหลังวิ่งไปทางลดลมเธอก็ลุกกึ้ปัดฝุ่นแล้วก็เดินทึบปาก แล้วก็ตำรวจัาถามว่าศพอยู่ที่ไหนเจอบอกศพก็คือผมเองนี่เป็นนี่นี่คือเป็ น, เ ป, นเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะตัว น, นี้อันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านแต่ว่ายันตต่อเพศที่บรรดาท่านบริษัท ต, ต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดคืนหนึ่งทุกคนเวลากลางคืนจะต้องสติติวีโซทุกคืน เวลาสซจิวีโซต้องถึงพระพุทธเจ้าท่านเพราะเวลามาเป่าจริงๆเราตะมาไม่ได้เป่าพุทธเจ้าท่านเป่ากรระการที่สองถ้าจะใช้ขอทุกอย่างจะเป็นมิชาตรีก็ดีถ้ามันชาตรีก็ดีแพระก็ดีถ้าทั้งหมดก็เป็นชาตรีเหมือนกันให้รูปเรื่องภาษาที่ว่าจิตทิิทิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชะขอเดชะ จะมาปเป็ น, น, นที่เพื่อนกับแมนี่เถิดคาถาที่จะขอได้อย่างพระที่แจกของด้านหน้าโนนนะแล้วก็การเป่าคราวนี้จะทำเป็นสองตอนด้่ยกันในตอนแรกจะเป่าคาถาอย่างกรอบเพชรเป็นการคุ้งครงวันบรรดาเทพุดธไวยสักตอนที่สองจะเป่าคาถามหาลาบ คำมหาลาภนีงง่หมายความว่าท่านจะมีลาภอยู่เสมอขอให้ทุกคนถ้ายังไม่ได้คาถามหาลาภที่เรียกวถาลื่นล้านไปขอที่พระได้ถ้าแถมลนล้านแล้วคาถามหาลาภนีาายย้ให้สังเกตดูกลางคืนที่ท่าบูชาพระท่าว่าคาถานี่กี่จบ <c oughs> สมมติว่าสามจบห้าจบเจ็ดจบเป็นต้นแล้วเก้าจบก็ตาม เวลาท่านจะหยิบสตังที่ท่านเก็บไว้ให้มือหยิบสตังจากเครื่องนออกมาว่ากระถาตามกับที่แทโรชาท่านําเงินออกมานับถ้ามันเหลือจะต้องเก็บเวลาเก็บเราะว่าเท่านั้นถ้าทําอย่างนี้ทุกคนจะมีเงินไม่ขาดตัวถ้าจิตเป็นฌานจะมีความนั่งรยมากดีดร็อคตอร์ัญญาประกาศไจริงบอกว่า ตาท้ายจักอเพชรนี้ได้มาจากครูของพระหลวงปนิชขอพูดยาวหน่อยนะอาตมาก็ไม่สบายมันเป็นโรคเกาโรคเกาที่ขาโปวดมากแ้่ตอนเช้าที่แสนไม่เคยไปข่จับสั่นี้ด้วยถ้าพูดไม่ค่อยใช้กระหอภัยด้วย <c oughs> ตาท้ายจักอเพชรต้องขอปานลินแ จ, จงพ่อแจงอาจารย์แจงจากสวทุโอไทย เพราะว่าเป็นคาถายันสนอยไชยสงครามเวลาเขาจะออกสงครามเขาเอาไว้เหลือยันหนอนไชยทงไชยสงครามที้ตอนต่อมาตอนที่ตอนที่อาจารย์แจงจะตายสองปีท่านก็มาขอยืมคาถาไปจากพระปานท่านหมกแล้วเมื่อนําไปเล่าประชาชท่านก็ตาย ตก่อนจะตายท่านเขียนไว้บอกากเมียไว้บ่าว่าถ้าใครจะเอากระาบทนี้ให้นําดาบสองเล่มคู่กับยันนี้ออกไปยืนกลางห้งชันแล้วก็รําดาบถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงไปให้นําไปได้ก็ปรากฏมีพระหลายองค์ที่อยากได้กระสาบทนี้ก็ต่างคนก็ต่างไปรำเงือแตงเงือกแตงไม่ได้ เมื่อทมาซาบบวชแล้วก็คิดว่าพระถาบทนี้เป็นสมบัติของหลวงพ่อเราหลวงพ่อปายเราก็ควรจะได้ก็ไปกับท่านเนรศีสององค์เปเพ่อกันไปขอพระถาบทนี้มเมียจันใจงานนรเสือมาให้ดูท่านบอกท่านสั่งบอกว่าถ้าหากว่าท่านสามารถจะดับนด้ประดาบนด้ไปรำ ถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงมา จ, าจะได้ก็นึกในใจว่าเราเป็นแพ้มันก็ไม่น่าจะรำได้ก็เลยเข้าไปจุดธูปจุดเทียนขออธิษฐานว่าหากว่ายันก่อนพ้ที่ควรจะเข้าไปเจ้าไม่เวลาถือดาบปี่เตาชานไม่ต้องรำให้มีเสียงฟ้าผ่าลงมา ท, าทันทีถ้าดาบนี้ไม่สงควรเข้าไปเจ้า เมื่อเดินไปกางต้นชัยก็ไม่มีเสียงฟ้าผ่าจะไม่เอาผลที่เพึงได้ค้อว่าเมื่อนํำดาวที่ออกไปแล้วกลาง่างการแจ้งกลางต้นชายเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นก็ไปเอาไม่ตรงรำเคยได้มาเจ้มันดายาจงพิจารณาสัจจะหลายโดยทนหน้าถ้าหาว่าสรรรักษายันก็เพชกอย่างอ่อน ทำบ้าอย่างอ่อนคือว่ารักษาสินสองข้อคือว่าหนึ่งอธินาทานอย่าลักอย่าขโมยอย่าปล้นอย่าย่งชิงเขาข้อที่สองไม่เดือดร้อนดมีไรในเวลานี้เขาทาบุญต่างๆเขาใช้สุาลดมีไรเป็นพื้นฐานถ้าเขาเลี้ยงเป็นพิธีกรรมเราเจ่งไริ่งเป็นพิธีไมปมามาย่างนี้ใช้ได้ถ้ารักษายางได้อย่างเข้มข้น คือขึ้นชื่อว่าสินห้าทั้งหมดเราจะไม่ยอมละเมิดหรือว่าบางข้ออาจจะต้องละเมิดแต่สินสองข้อเราไม่ยอมขาดนัคือหนึ่งอจินนาทานสองสุรามีสุนิชัยจารย์แม้จะงานพิ ธ, ธีเราก็ไม่กินกินโสดาแทนอย่างนี้ขอรับรองผลว่าไม่ใช่เฉพาะคุณผีคุณคนคุณใส เมื่อกี้ที่ต้องเติมยาอธิบายให้ฟังาคำคาแนะนําของรัฐบาลต่ขณะที่ต้องเติมยาให้คาแนะนําพระเจ้าอุปถัมภ์มาบอกว่าการทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะคนดีคุนคนทุกอย่างที่มันจะมีอันตรายเกิดขึ้นอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราได้อันตรายอย่างเราจะไม่มีอย่างคนที่ถูกรถชนไปเด้น้าสามสี่วารถ้ามีแค่ช้ำนิดหน่อย คนคิดว่าตายอย่างบาคนที่เขานั่งรถกันจะใส่ไปถูกชนล้อหลุดจสองข้างต้ล้มเขาลุกขึ้นมามือปัดฝุ่น้า้เดินผิวปากตำรวจก็ถามว่าสพอยู่ที่ไหนอบอกศกคือผมเองแล้วก็มีรายหนึ่งอยู่ไม่ไกลที่บ้านทงนาใ น, นเองเจล่างปืน ล่าเปิงเสร็จแล้วลูกขึ้นลำใบตอนนี้ลูกสาวเปิดจีเวตมมนิยมนะลูกสาวถามว่ากระสุนมีไหมแม่ลืมไปบอกไม่มีลูกสาวก็เลยลองอ น, นกสัตว์เปยก็ลั่นปังไปโดนแม่เดยกข้างหลังไม่น่าจะตายแต่แม่มีความรู้สึกามีทอดอะไรเล็กๆมาสู่หลังเท่านั้นเองอันตรายไม่มีนี่น้ำมันชาตีนะ เป็นว่านมันชาติีก็ดีไม่หมอยชาติีก็ดีให้ทุกคนติดตัวไว้ก็จนจะ่าลว่าตอนเช้าให้ปลุกด้วยคาถาอิทิลิธิพุทธานิมิตังขาอเดชะเดชะงขอเดเดชะจงมาเป็นที่พวกกันแม่เอาอนีเน่เถิดก่อนจะเดินทางที่จะไปไหนให้ภาวนาวาพุทโธ ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึว่าโทสามครั้งถ้าเกินน้ำลายละครหนึ่ง <c oughs> นังก่ก็บ่ายสามครั้งนําเกินน้ำลายละครหนึ่งว่ายสามครั้งเกินน้ำลายละครหนึ่งถ้าอย่างนี้ท้าวันนั้นทั้งวันทั้งรายจะไม่มีกระทันเวลาจะว่าระถาพุทโธก็ดีจิวิโสก็ดีที่ทีทททท่กด็ดีให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานถ้านึกถึงพระปานเป็นที่สุด การวันนี้จะทําเป็นสองอย่างนะอันดับแรกจะเป็นกระถาใ ย, ยกราบอันดับที่สอจะเป็นกระถามหาลาบให้ท่านนึกถึงสตังในกระเป๋าของท่านนึกถึงสตังในที่เรียบที่บ้านนึกถึงตัวเจ้เองด้วยว่เาเขามีลาบสั ก, กาละสนุยไป <c oughs> เวลาสตังไปถึงบ้านไปเก็บสตังอย่าลืมว่าเวลาท่านสวดวนต์กลางนกี่จบ ต้องว่ากระทำการล่ามทั้งจบนะว่าภูมูชากีจ่จบถือว่าสามจบเอาเงินเข้าไปวางแล้วอยังต้องเซฟไวยมือถือไว้ก่อนว่ากระถำสามจบแล้วปล่อยมือเวลาจะใช้เอามือจับระตังจะเพิ่งนําออกมาว่ากระทสามจบแล้วนำออกมามานับตามที่เราต้องการจะใช้ถ้าเหลือข้าว แ, แก่เก็บว่าสามจบ ถ้าทำอย่างนี้ทุกคนให้ภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นจะไม่อยาใจพะยาเจดมภาษีมูลท่าเพิ่มนะเนเจ็ดเปอร์เซ็นจะไม่หนักใจหรอกเรามีเงินมากกว่าไปลว่าเรามีเงินไม่ขาดสายตอนนี้ไปพระา ย, ยาเจนมทั้งหลายตั้งใจสมาทานสินห้าถ้าสมาทานมัรามาทาน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 อุทังสระนังคขจามิทัมมังสระนังคขจามิสังขังสระนังคขจามิทุติยัมปีอุทังสระนังคขจามิทุติยัมปิทัมังสระนังคขจามิ ตัดิยมปีสังขังสระนังขจามีตัดิยมปีพุทธังสระนังขจามีตัดิยมปีพุทธมังสระนังขจามีตัดิยมปีสังขังสระนังขจามี ท่านนาติป า, าวรีระมณีสิกขาปังสมาธิยามี <c oughs> <c oughs> อ่ะท่านนาทานาวรีระมณีสิกขาปังสมาธิยามีตาเมสุมชาจิราวี ระมณีชิกาบทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีระมณีชิกาบังสมาทิยามีสุรามระยะมะชาปรมาตธานาว ตามีสิกขาบัทังสมาธียามีอิมานิปัญจสิกขาบัทานิสีเลนัสุขติยันติสีเลนัปภะสัมปทาสีเลนันิปติยันติตัตสมาสีลังวิโสทาย ต่อไปนี้ก็เจอสมาทานากรรมฐานแต่ยังก่อจดยมนะไอสมาทานากรรมฐานนี่หมายความถ้าเราภาวนาวิปุทโธที่ไรก็าตามแม้จะนั่งชุ่วขณะเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีสนาทีก็าตามจะสามารถป้องกันนรกได้ถ้าบทที่ให้เท่าหมดตั้งแต่พุทธังและโมตระพุทธังธรรมังสังขั ง, งถ้าสินห้าเป็นต้น ทั้งหมดนี่เป็นองค์ของพระโสดาบันถ้าเย่าลืมนะว่าพระโสดาบันนั้นไม่มีอะไรมากคือหนึ่งขารัพระพุทธเจ้าอสองข้ารัพระธรรมสามขารัพระอริยสงฆ์ข้อสี่ปีสินห้าบริสุทธิ์แล้วห้าจิตตั้งใจว่าเฉพาะพระนิพพานถ้าทุกคนมี